อุปมาด้วยบุตรช่างทำรถท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรอุปมาปรากฏขึ้นแก่กระผมท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านมหาโมคลานะขอให้อุปมาปรากฏขึ้นแก่ท่านท่านจงกล่าวอุปมานั้นเถิดท่านพระมหาโมคลานะจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุสมัยหนึ่ง กระผมอยู่ในเขตกรุงราชครึ๊ซึ่งมีภูเขาล้อมดูดคอกวัวครั้นในเวลาเช้ากระผมครองอันตรวาศกถือบาตและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชครึ๊สมัยนั้นบุตรช่างทํารถชื่อสมีติถากกงล้อรถอยู่อาชีวกผู้เป็นบุตรของนายปันทุซึ่งเป็นช่างทํารถคนเก่ายืนอยู่ใกล้นายสมีติครั้งนั้น อาชีวกนั้นได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าโอหนอขอบุตรของช่างทารถชื่อสมีตินี้พึงถากส่วนโคง้งส่วนคดและกระพีแห่งกลงล้อนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้กลงล้อนี้ก็จะหมดโคง้งหมดคดหมดกระพีมีแต่แก่นลุ่นล้วนบุตรของช่างทารถชื่อสมีติก็ถากส่วนโคง้งส่วนคด และกระพีแห่งกลงล้อนั้นได้เหมือนอย่างที่อาชีวกนั้นมีความคิดขึ้นในใจครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้เปล่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสมีติถากเหมือนรู้ใจอย่างนั้นนั่นแหละท่านผู้มีอายุบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ด้วยศรัทธาเป็นคนโอ้โอวดมีมารยา หลอกลวงฟุ้งซ่านถือตนกลับกลอกปากกล้าไม่สมรวมวาจาไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่ใส่ใจสมณธรรมไม่มีความเคารพอย่างหนักแน่นในศิก ข, ขาเป็นผู้มากๆเป็นผู้ย่อย่อนเป็นผู้นำในโวกกรรมธรรมทอดทุระในปวิเวก เกียรคร้านมีความเพียรย่อหย่อนขาดสติสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาท่านสาหรีบุตรทากิเลตด้วยธรรมบัญญาานี้เหมือนรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นอนหนึ่งกุณบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตไม่โอ้อดไม่มีมานยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกลอกไม่ปากกล้า สำรวมวาจาคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องใส่ใจในสมณธรรมมีความเคารพอย่างหนักแน่นในสิกขาไม่เป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกรมณธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกปรารบความเพียรอุทิกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่ไม่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญากุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมบรรยายนี้ของท่านพระสารีบุตรเสมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าดีจริงหนอท่านผู้เจริญท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพระมารีทําให้เราทั้งหลายออกจากอากุศ ล, ลธรรมแล้วให้ดํารงอยู่ในกุศ ล, ลธรรม สตรีสาวหรือบุรุษหนุ่มชอบแต่งตัวชมระสะกล้าแล้วได้ดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนประคองไว้ด้วยมือทั้งสองแล้วยกขึ้นวางไว้เหนือเสียนกล้าวแม่ฉันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ชั้นนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่อ้วอวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้า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 พระอัครส า, าวกทั้งสองนั้นต่างชื่นชมพาศิทิ์ของกันและกันดังนี้แลอั น, นังคณะสูตรที่หจบ 6. อากังเขยสูตร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 ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่จงสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยจะมาทานศึกษาในสิขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายหนึ่งหากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้สมบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตนไม่เืินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูณเรือนว่าง 2. หาภิกษุพึงหวังว่าเราพึงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจัยเพศบริขารภิกษุนั้นพึงทำศีลให้สมบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตน ไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มภูณเรือนว่าง 3. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคีลานปัจจัยเพศะบริขารของชนเหล่าใดขอสักการะของชนเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริสุทธิ์มันประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มภูนเรือนว่าง 4. หากภิกษุพึงหวังว่าญาสาโลหิตเหล่าใดผู้ล่วงลับไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราอยู่ขอาการระลึกถึงเราของญาสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสงมากภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนา เพิ่มภูนเรือนว่างภิษุทั้งหลาย 5. หาภิกษุพึงหวังว่าเราพึงข่มความไม่ยินดีในกูรลธรรมและความยินดีในกามคุณหอันหนึ่งความไม่ยินดีไม่พึงครอบงำเราเราพึงครอบงำย่ำยีความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูนเรือนว่าง 6. หาภิกษุพึงหวังว่า เราพึงเอาชนะความขลาดกลัวอนหนึ่งความขลาดกลัวไม่พึงครอบงำเราเราพึงเอาชนะครอบงำย่ำยีความขลาดกลัวที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริสุทธิ์และถึงเพิ่มภูณเรือนว่าง 7. หากพิกษุพึงหวังว่าเราพึงได้ฌานสี่ซึ่งเป็นอภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูมเรือนว่าง 8. หาภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุวิโมกข์ที่สงบเป็นอรูปฌานเพราะก้าล่วงรูปปาวจรฌานด้วยนามกายภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริสุทธิ์ละถึงเพิ่มภูมเรือนว่างภิกษุทั้งหลาย 9. หาภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระโสดาบัน เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าภิกสุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูลเรือนว่าง 10. หากิิสุพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระสกะทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตนไม่หืนห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูลเรือนว่าง 11. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน้าประการสิ้นไปปรินิพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์ละถึง เพิ่มภูนเรือนว่างภิกษุทั้งหลาย12หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้ากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้าก็ได้ เดินบนน้าโดยที่น้ําไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูปคลําดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้ภิกษุนั้นพึงทําศีลให้บริบูรณ์ละถึงเพิ่มภูณเรือนว่าง 13. หาภิกษุพึงหวังว่า เราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือหนเสียงทิพย์สองเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูณเรือนว่าง 14. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคตาก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหัคตาหรือจิตไม่เป็นมหัคตาก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหัคตาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูณเรือนว่าง 15. หาหภิกษุพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้างยี่สชาติบ้าง30ชาติบ้างสี่สชาติบ้าง50สชาติบ้าง ร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรบเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรบเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกรรและวิวัตกรับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโนน แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตรกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราเระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูณเรือนว่างสหกาภิกษุพึงหวังว่า เราเพึงเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทาตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทาตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตนไม่เขินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูนเรือนว่างภิกษุทั้งหลาย 17. หากิกษุพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ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 พีบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิขาบททั้งหลายพระผู้มีพระภาคด้วยตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกสุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอากังเขยสูตรที่หจบ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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สุขปรกเปรอะเปื้อนใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใด เมื่อจิตเศร้ามองทุกติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นเหมือนกันช่างย้อมผ้าจะพึงนําผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงในน้ําย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้ามองสุขติ ก็เป็นอันหวังได้ชั้นนั้นเหมือนกันอุปกเล์แห่งจิต16ชนิดภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสแห่งจิตอะไรบ้างคือ 1. อภิชาวิสมะโลภะความโลภไม่สม่ำเสมอ คือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิ ต, ต 2>, 2. พยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 3. โกทะความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 4. อุปนาหะความผูกโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 5. มักขะความลบหลู่คุณท่านเป็นอุปกิเลสแห่งจิต6ปลาสะ ความตีเสมอเป็นอุปคิเลสแห่งจิต 7. อิสาความริษยาเป็นอุปกิเลธแห่งจิต 8. มัฉริยะความตรนีเป็นอุปอคิเลธแห่งจิต 9. มายามาณยาเป็นอุปคิเลธแห่งจิต 10. สาเถยยะความโอ้อวดเป็นอุปคิเลธแห่งจิต 11. บเอ็มภ ะ, มะความหัวดื้อเป็นอุปกิเลธแห่งจิต 12. สารัมภะความแข่งดีเป็นอุปกิเล์แห่งจิต 13. มานะความถือตัวเป็นอุปกิเล์แห่งจิต 14. อติมานะความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 15. มัทะความมัวเมาเป็นอุปกิเล์แห่งจิต 16. ประมาทะความประมาทเป็นอุปกิเล์แห่งจิตภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นรู้ชัดดังนี้ว่าอภิชาวิสมะโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอภิชาวิสมะโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้พยาบาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละพยาบาทอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้โกทะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละโกทะอันเป็นอุปกิเล์แห่งจิตได้อุปนาหะเป็นอุปกิเล์แห่งจิต แล้วจึงละอุปนาหะอันเป็นอุปคิเลตแห่งจิตได้มัคคะเป็นอุปคิเลตแห่งจิตแล้วจึงละมักคะอันเป็นอุปคิเลตแห่งจิตได้ปราสะเป็นอุปคิเลตแห่งจิตแล้วจึงละปราศะอันเป็นอุปคิเลตแห่งจิตได้อิสาเป็นอุปคิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอิสาอันเป็นอุปคิเลสแห่งจิตได้มัฉริยะเป็นอุปคิเลตแห่งจิต แล้วจึงละมัชริยะอันเป็นอุปกิเล์แห่งจิตได้มายาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมายาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้สาเถยยะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละสาเถยยะอันเป็นอุปกิเล์แห่งจิตได้ธัมมะเป็นอุปกิเล์แห่งจิตแล้วจึงละธัมมะอันเป็นอุปกิเล์แห่งจิตได้สาลัมมะเป็นอุปกิเล์แห่งจิต แล้วจึงละสารัมภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มานะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมานะอันเป็นอุปกเลสแห่งจิตได้อติมานะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอติมานะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้มทะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัทะอันเป็นอุปกิลลเลสแห่งจิตได้ภิกษุนั้นรู้ชัดดังนี้ว่าปมาทะ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 เป็น uh อุปกิเลถแห่งจิตแล้วจึงละโปทะอันเป็นอุปกิเลถแห่งจิตได้อุปนาหะเป็นอุปคิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปนาหะอันเป็นอุปคิเลสแห่งจิตได้มัคขะเป็นอุปคิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัคขะอันเป็นอุปคิเลสแห่งจิตได้ปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละปลาสะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้อิสาเป็นอุปกิเลถแห่งจิต แล้วจึงละอิสาอันเป็นอุปกเลสแห่งจิตได้มัชริยะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละมัชริยะอันเป็นอุปกรณ์แห่งจิตได้มายาเป็นอุปกเลสแห่งจิตแล้วจึงละมายาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้สาเถรยะเป็นอุปกเลสแห่งจิตแล้วจึงละสาเถรยะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ธัมมะเป็นอุปกเล์แห่งจิต แล้วจึงละธรรมภะอันเป็นอุปกเลสแห่งจิตได้สารัมภะเป็นอุปกเลสแห่งจิตแล้วจึงละสารัมภะอันเป็นอุปกเลสแห่งจิตได้มานะเป็นอุปกเลสแห่งจิตแล้วจึงละมานะอันเป็นอุปกรลสแห่งจิตได้อติมานะเป็นอุปกเลสแห่งจิตแล้วจึงละอติมานะอันเป็นอุปกรณ์แห่งจิตได้มัทะเป็นอุปกรณ์แห่งจิตแล้วจึงละมัทะ อันเป็นอุปคิเลตแห่งจิตได้ภิกษุผู้รู้ชัดดังนี้ว่าประมาทะเป็นอุปคิเลตแห่งจิตแล้วจึงละปะมาทะอันเป็นอุปคิเลตแห่งจิตได้ในการนั้นภิกษุนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทาอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเหตุที่พิกษุนั้นสละขคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อม ส, สุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์เมื่อเธอมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอรู้ว่า เพราะเราสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัดความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ แม้ว่าเธอชั้นอาหารบินทบาทข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกลับข้าวหลายอย่างการชั้นบินทบาทของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มากและผลเลยผ้าที่สกปรกเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดผ่องได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกัน มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอชั้นอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกลับข้าวหลายอย่างการชั้นบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรกและผลเลยภิกษุนั้นมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดที่หนึ่งที่สองมีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดที่ 1, ที่หนึ่งที่ 3, ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ทำเครื่องสลัดออกจากกิเลส ท, ที่ยิ่งกว่าสัญญานี้ก็มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสะวะภาะวะสวะและอวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายใน การอาบน้ำในพระศาสนาในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะพารัวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุ ก, กาเพื่อสงน้ำหรือพระผู้มีพระภาคตระตอบว่าพราหมณ์แม่น้ำพาหุ ก, กาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้าพาหุ ก, กาจะทาอะไรได้ สุนทริกะภารัตวชะชพรหรามกราบทูลว่าท่านพระโคโดมคนจํานวนมากถือกันว่าแม่น้ําพาหุกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจํานวนมากถือกันว่าแม่น้ําพาหุกาเป็นบุญยสถานอันหนึ่งคนจํานวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทําแล้วในแม่น้ําพาหุกาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกะภารัวชะชพรหรามด้วยพระคถาว่า คนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกกะท่าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสระศรีท่าน้ำปยาคะและแม่น้ำพาหุมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทรีกาแม่น้ำปยาคะแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้ จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยภัคคูณเริกเป็นเริกดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบโสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีกรรมสะอาดพรามท่านจงอาบน้ำในาศาสนาของเรานี้เถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิด ถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรนีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำจากท่าน้ำขยาจากมีประโยชน์อะไรแก่ท่าน สุนทริกะพราหมณ์เป็นพระอรหันต์เมื่อ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วสุนทริกะพารัวาชาพราหมณ์เด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสิทของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสิทธของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศ ธ, ธรรมแจม่มแจ้งโดยประการต่าง เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคโดมเถิดสุนทริกะพารัวชพรหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานา น, านักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่โจรพรหมจรรย์ลแล้วทากิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระพารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แลวัตถุปมาสูตรที่เจ็ดจบ